นนี่วันนี้วันนี้ราชาเวลาไปยก็อยกรอปรา่าพวกบัตรงเขาไปฆ่าพระป่ามาที่วันนี้แต่เขาจจรลยไปในน้ำป่าจะกไปเชื่อกันด้ยวยในรถเสือรถเสือก็เสืดจะเปลี่ ย, รยมมนรลดับสี่ห้าขมงแต่จะมาใ น, านดากร ม, มุบัณฑงโพทารามรงพยาบาลมัณฑง ถ้าไม่เสียวเวลาลาชาเป็นเรื่องธรรมดานีจังเหยที่อทุก ข, ขังตาร้องไม่แน่นอนรถนัดมันหลุดคลายมันหลุที่ยังไงไม่ตาบต้องก็จับเปลี่ยนรถได้จะหาเล็กในประเทศมาเปลี่ยนรกใบฉับกันก็ชา้าไม่จะเป็นเรื่องเยอะหลายเรื่องธรรมดากานทั้งหลายอย่าจับงั น, น, ไไหนงให้มันตายไปไหนก็เปลี่ยนมันต่ รถจะไปดูๆก็เสียได้เรานัดเที่ยนไงเราก็ไปไม่ได้ปวดท้องปวดท้วเป็นไข้จะเป็นได้อยากคิดว่ามันแน่นอนจะเม่อไปอะไรในโลกมีความแน่อนอนะมีความจริงใจไหมไม่มีเลยข้างผูปฏิบัติธรรทั้งหลาย บางคนมาเนี่ยเข้ามาจะมาปฏิบัติไม่พร้ ม, ม่มอนหรือไม่คีบ้าอะไรเข้านาแต่ทา่นานชันนักปฏิบัติแต่การปฏิบัติไม่เหมือนกันตามค ม, มสอนทุกประการทีชัดเจนเพราะฉะนั้นเมื่ถึงใจมันตัดอะไรมีเ ง, งี้ยนอนในชิตนั้นความรักในชิตที่แน่นอนที่ถูกต้องมีนั้นการค่าเคีื่อง เราเคล่อนให่เป็นเรื่องธรรมดาจะมากลาให้ท่านฟังมานานเนี่ยแต่ท่านไม่เข้าใจออดีตเป็นคามสนันปัจจุบันคือเป็นคามจริงคือเงินออดีตก็เป็นคามสารพานมาตั้งหลายวั น, นจะไปคุยกันทำไมเลือ่อยเรื่องไปมาเล่ากันใหม่มันเสียเวลานี่นี่แหะอันนี้จางเอ๋อทีดถังมั่นตายถ้าตายแล อนาคตหาความแน่อนอนไม่ได้อย่าจับมั่นให้มันตายท่านผิดหวังที่จะเสียใจตัวชีวิตชีวิมันเต็นอย่างนั้นหรือในอย่างท่านผู้ปฏิบัติธรรมหาการแน่อนอนในชีวิตไม่ได้เลยต่อที่นี่ต่ไปอยู่ตรงนี้ต่อตรงนั้นต่ไปอยู่ตรงนั้ น, น, น, ไ, น, นไม่ละแน่อนอนมาโค้งช้าบายไว้ใหญ่โตผ่าไปตายอย่นันที่ เรียกเตยก็ไม่ได้เรียกตายก็ไม่ได้เรียกสร้างความดูได้ยังไม่มีใครเรียกไม่มีใครสร้างเวลาผ่านก็หมดไปแล้วหน้าที่ได้นะอาตราเสียใจเหมือนกันอย่าหมดเวลาไปแล้วเรียกคืนไม่ได้เราก็แกแล้วมันก็ชุกแล้วจะย้อนไปถึงอดีดให้เราเป็นเด็กรูนมใหม่จะไปศึกษาหน้าเรียนใหม่สร้างความดีใหม่ก็ทำไม่ได้ มีทางเดียคือรอเวล า, ลาตากานทั้งหลายตรองนุนภาษายา ก, กล้นานะื้มาเคลืนตาไปสามศพนมนสาสะตายตาแล้ว ม, า, ว า, า, ม า, าแล้วเคยมาี่รักตายแล้วรอเวลาเผาที่อรอเป็นคือข้างจะาตายกานทั้งหลายเอ๋อยาให้ใจผิดคลุกคลาอะไรมาแ น, น่อนในชีิความรักหรือแนนน ความเปลือยทางนี้แน่นอนไม่มีอะไรดีเกิดเอ่ยในโลกมนุษย์นี้ไม่มีอะไรดีเลยสากนโลกมนุษย์นี้ไม่มีอะไรที่แน่นอนว่าท่านจะจับมันม่นธรรมตาจะแน่นอนตรงไหนละ่ะเราเกิดมาในสาครโลกนี่มีพี่มีน้าหลับมาทะเลาะแต่ยังไม่แน่นอนอีกพอมาเลี้ยงลูกมา หลายคนคิดบบคนต่อมาัามสอบให้รู้แน่นอนไม่แน่หลายแแล้วคีึิตก็ต้องตายในวันพรุ่งนี้มาเลหลับเนินสายตายซะก่อนนี่แหละหาความแน่นอนไม่คิดไม่ด่าอย่างนี้วะนะอะไรล่ะที่มันมีประโยชน์ต่อชีวิตในกิจประจาวันรืบทำทุก่เงนี้ได้ไ้โอทัญญามรานางสุเ อย่าผัดวันประกันชิงเลายมาไล่ตีหน้าชันมาน้างปฏิบัติอย่าไปคิดอย่างนั้นเนีว่าจะสร้างความดีผัดวันประกันชึกแต่ความชั่วลายสามมานคิดเราก็มาดึกคิดเราทานตามาน้ำเผลอน้ำจใจรูไงมาไลา่เป็นการถูกต้อง แต่ถ้ามาจะตีความให้ชัดเจนกันถูกใจก็เป็นการถูกใจไม่ใช่ความถูกต้องนั้นไม่ใช่การติดใจประธานตามตา ม, ตามนั้นเพล น, น้ใจของข่านชอบใจไม่ใชทางที่ดีต้องฝืนใจถึงจะถูกใจเพราะฉะนั้นอย่าเอาใจใส่ตัวเองแต่เอาใจคนอื่นครับบ๊า เห็นจะถูกต้องเราจะอ่านใจเร า, า, ยายอย่างเีงยวมาโดยเห็นใจคนอื่นเขาเลยเมื่อเราจะรูยว่าใครผิกใครถูกไปวย ก, กันได้เราก็จะเข้าข้างตัวเราเองตลอด น, นะโยตมตลอดในใจของเร า, าถูกเขาผิดแ ค, งคง่ไหนบ้างแค่เราเห็นกับตัวเองถูกใจเส ม, มอเป็นการดี แต่ความถูกต้องเราไม่ได้พิจรารณาให้แน่นอนทงแท้แน่นอนแต่ประการใดเอาคามถูกใจเสมอไปต่อความถูกต้องเราไม่ได้พิจรารณาถึงแค่นั้นเพราะฉะนั้นการจเจริญกรรมฐานต้องการความถูกต้องต้องการจะขับอา้ความถูกใจที่ตามตามใจตัวเอง ม, นมานานแล้วตามใจตัวเองเอาดีไม่ได้หลือ คุณจะใจสอนท่านเพินศนาะสนาอื่นก็ยังสู้ไม่ได้ตามใจตัวเองตามอารมณ์ตามใจคนแล้วจะดูได้หรือไม่จะการได้ดูไม่ได้เลยคนที่ดูได้อะฝืนใจเขย่าจต่ใจตัวเองเนะี่ยดูไม่ได้เนี่ยถ้าไปวิชาอิดตัวเองชอบอย่างนี้ก็ถือว่าถูกได้ ไม่ชอบอย่างนั้นหาว่าไม่ถูกต้องอย่างที่เราชอบเนี่ยเป็นการถูกต้องไม่ถูกต้องเพื่อประกา ร, กการาทักโก้กา ค, ความถูกต้องนั้นไม่ใช่การใจตัวนะการตามใจตัวเนี่ยมันเป็การถูกใจไม่ถูกทำถูกต้องการเจริญสัาตา ม, มาราชเนี่ยต้องการจะวิจัยตัวเองละเมิดศรัทธาเองว่าเราถูกถูกระการได้ ถ้าญาติโยมมีสติสัมปชัญญะจะเลี้ยงสติปัญญานื่อได้จึงตังดังที่อว่ารู้ตัวอยู่เสมอถึงจะได้ชัดเกินวาลาเราแจ้งชักแล้วเราที่ทำน่ะผิดแน่นอนเราถึงจะตัวเรา เ, เองานานๆไม่เห็นทามถูกต้องของคุณเอนเลยก็คนอื่นกับเราจึงไม่ถูกกันเลยญาติพี่น้องก็ไม่ถูกกันเอาแต่คามถูกกัน แต่การถูกต้องในหมอนะคนเลามีนิสัยอย่างไรติดนิสัยข้างไหนก็ไปอย่างนั้นแหละเราช่ว เ, เป็นการถูกต้แต่ละมันกลเป็นการถูกใจเสมอไปเลยจึงดีไม่ได้แล้วณมันนี้การจเจริญกรรมาฐานต้องการจะไม่มิจัยตัวเองประเมือนผลตัวเองว่าเราทำมาเนี่ยหลายปีแล้วอารเป็นเด็กมาถูกต้องหรือไม่ถูกใจ อ๋อไม่ถูกเลยเป็นการถูกใจเอาแต่ อ, อารมณ์เท่านั้นไม่คิกจะให้อารมณ์ผลอีกจะว่าเขาจะเป็นการถูกต้งองหรือไม่ไม่ได้วิจัยและประเมินผลกันประการใดออกมาที่ชัดเจนมากเพราะฉะนั้นการปฏิบัติจะเป็นเวลาหน่อยหรือมากก็ตามขอให้ทําให้ได้ฝึกให้ได้ฝึกเวลาเดินเตรียนยืนหน่อยห้าครั้งได้มาล่ว ถ้าจะรู้ตัวเองว่าทางกานทำถูกต้้งวิสุกจักเอาแต่อารมณ์ตลอดมาถ้าคนเอาแต่อารมณ์ไนะไม่ดูอารมณ์คนอื่นเขบ้าอาแตความถูกใจเสลอไปความถูกต้องก็หายไปเลยความยุตยิธรรมก็ไม่มีความเทวสัจจุตฤกิก็ไม่มีเด้ความเทวสัจมีหายากมาไม่มีความยุตยิธรรมในโลกนี้ เทตมะกล่าว่าความวิตุธรรมของโลกถามีมากก็แ ค, ค่ชชนคนเราขาเทวาดนขาสติขั้นพิจารยะขาเตัวปัญญาแต่จะเรียนถามโยมขึ้นมาว่าราคาโทสะโมหามันตนัวมันจะแ ก, ก้ดีอะไรจะแ ก, ก้ดีอะไรจะแห้แล้วมาแก้โยมก็จะตอบไม่ถูกต้อง มีเล่ห์เกเลืองขึ้นมาลาคาทินาโทสะที่นาโมหะที่นาอาทิตตังอาทิตังแร้ออย่างไฟร้ออย่างธาตุคือหลับคือเท่าฝัแร้ง อ, อย่างไฟเผาแผลเราตลอดเลยตาม ไ, ไม่มีความเย็นใจเลยขัใจอะไรมาไปไอามาเปลี่ยนพระพทธเจ้าแสอนอย่างไรถึงจะแก้ไขลาคาโทสะมันแร้อนลงทนไม่ไหวร้อนกลุนให้วใจ ถ้าจะไปไม่แรอแล้อนออกร้อนใจมันใจเ้าขอมร้นลัสนักพิจาร์ร้อน อ, อะไรละ่ะแล้อลืมปุ้นใจนักออกหนักใจไม่ชนะ จ, จะอะไรแก่จะแค่เดี๋ยวอะไรจะใช้อะไรแค่ตอบด้วยคเดียวใช้ปัญญาแคบตัวปัญญานีสําคัญ ประโยชนที่มาเจริญกรรมาฐานถ้าทนได้ถึงอยากเปิดปัญญา ท, าทันทีปัญญาติดมาก็ตัวเลยนี่ตูวปัญญาในตัวเนี่ยจะได้รู้เองี่าไราเนี่ยถูกตั้งหรือถูกใจปัญญารอบรู้ปัญญาแสดงออกออกมาปัญญาตัวนี้สำคัญมากรอบรู้ในสิ่งทุกคนรู้กาละเทศสุจาละคันะรู้ทั้งบาปบทั้บุญคุรุทษประโยชน์จะเป็นประโยชน์ไม่เป็นประโยชน์ รูล้ละเอียดรูอ้ออกรู้ของอารมณ์รู้เอ่อนคายอะไรควรไม่ควรรู้จาักกาและเทวศาสตร์อยยาและขณะรู้จักรเบิดรู้จักรุ่ยรู้เดนเตกาเพื่อิหานและธรรมอย่างนี้เรียกว่าตัวปัญญายอดหนูรู้ของจริงปัญญาเประตัวของจริงไม่ใช่รู้ของไม่จริงเราเดียวนี่ไปเอาของไม่จริง ไอ้ที่กินไม่ชอบไปชอบทีม่มากินไอ้ที่ได้ไม่เอาไปเอาที่ไม่ได้แต่หน้าที่ใดเวลาที่มีประโยชน์ที่หนักท่านไม่ใช่น้อยถ้าะฉะนั้นฐานดูตัวปัญญาเพราะฉะนั้ำวิจารณ์สอนให้เรามีปัญญาในตัวจะแก้ปัญหาได้อย่างดีขึ้นปัญญาได้มาจากไหนได้มาจากเจริญสกามฐานมีมสติสัมปชัญญะกำหยดรู้ตัวอยู่เสมอ มือโกรธลอบหลงในจิดก็กำหนดที่ลุ้นตีเนี่ยเสียใจหน่อถอให้ผู้ปฏิบัติทำให้ได้ตสันนี้โกรดอย่าพาความโกรธนะถ้าปัญญากาหนดนี่แ ป, ะะปลว่าอะไรแปลว่าตั้งสติให้รู้ถึงตัวปัญญาถ้ามีปัญญามาแล้วความโกรดจะหายไปเลยจะไปโกรธทาไมโกรธสามีืโกรดภรรยาโลกรธเล่ย์ได้โกรธเที่ยงแต่สติทั้งายยาหมดชั้กํากหนดว่าโกรดหนอ จะ้ยายาวะปัญญาจะบอกเลยว่าไปเจอข้อไหนมันเสียสนหมอนขาเคียอบทำให้เสียงานเคียตารขายของควรจะได้จับขายไม่ได้จูตงานควรจะได้จับไม่ได้เลยภาษาพราหมณ์โสดอารมณ์ค้างไปเหนือมาใตา้อารมณ์ค้างตลอดไปจปตงานไม่ได้เลยเออเดอร์ก็ไม่ได้หมดขัญญาเขาม่เยมชมช็นคชนชอบ ตัวนี้เป็นตัวสำคัญใครจะนั่งทำอะไรก็ใช้ปัญญาปัญญานี่จะเย็นมากมันมีร้อนลาพิาโทจารพินาเมหะพิณาอาทิตังอาภิตัง้องนอย่างดวอาทิตย์้นอนย่างไฟเท้ายอนเผ็จัอย่ลืมกลุ้มใจตลอดคนที่กุ้ยยนใจเนี่ยร้ร้อนลน้นน่ยทาอะไรไม่งผลก็ขายขี้ก็ไม่ได้จะขายของก็ไม่ได้คนล้อน้นเนี่ย ูเย็นไม่เย็นเนี่ยน้มันจะเกาะตัว น, นันน้แข็งแต่เย็นรักษาเมจสร้างควาดีในสังคมเย็นถ้าล้อขึ้นมาน้ำจะละลายตัวเลยจไหลลงดินไปหมดเลยถ่ายความฉันมจิสรีปัญญาตัวปัญญาก็หายไปด้วยถ้าเยนเนี่ยตัวนี้ัดเจน ม, มากไม่ใช่แมน่กรรมฐ า, านที่จะไปสวรรค์นปณานได้ยางที่พได้ซอยขึายา สามยานยันดา บ, บยานกนเลยไม่ใช่ก็เอาตรงนี้ให้ได้ท่นานมีสตินะถ้านี้สติท่านมาฉันยจะอดเทนไปสมบัตต่อสู้เลเป็นหน้าต่อสู้แน่นอนความรู้ไปสมบัติขณากจากความฉาดไปสมัติขณประกจากเกความมีระเบียบที่ชนีดเป็นสมัติของผู้ากกาดีผู้ดีก็มีระเบียมบยมีระบบคนที่มีระเบียบระบบก็คือตัวปัญญารอบดูในกองการทันขานจะได้อ่านตัวออกจะได้บอกตัวหน้าจะได้ใชยตัวเต็น จได้เห็นตัวตาจะได้สายชคือจะได้ยันดูชอบจะได้ประกอบคุณลมบต่จะได้ผลนานเป็นหลักฐานสาคัญอปาชชังขึ้มาดูตะทูขึ้นมาช่างนี่ชัดเจนมากถ้าเราไม่มีตัวปัญญาจะไม่มีความอดทนจะไม่ต่อสู้อะไรทำงานไม่สำิร็เพราะฉะนั้นใบาสบบาสบกัใบสาบล้านชาติแต่ล้านชาติถ่ายของมือนกันทไมเราสู้เขาไม่ได้ไปดูเขาสิทำไมเราสู้เขาไม่ได้ข้อไหน ไปดูใจปรเมินมผลดูเดี๋ยวเรารู้เลยเห็ไหมอ๋อเราสู้เข า, ามาหาดจอที่มองอดทนนี่โร ง, งงานนี่เอดทนลก้ยทำนยังคเลยตลอดราการเขาสามสารถคืนควาเพียรมาดี่คือตัวปัญญาตัวปัญญาบริวารนาน้ำใจดีบริวารห น, น้น้นใจแห้งบริวารแห้งน้นใจแห้งบริวาร มาพค่นั้นใจดีบริลาาหนุ่งแค่ังใจอะไฮะบริาาาลาาการแก้แค่เรามันจะติดถังมันีนิ่เฉนี่ยายรดีมีปัญญาถ้ายเป็นเจ้าของใบสับหรือเป็นเจ้าของบ้านหรือเจ้าของโครงการนี้ต้องมีคเคล็ดลสอนมีทั้งเมตตาปาเมืออรอีเอฟเอฟขาดเลดีก่โครงการท่านจะไปสำ็จนี่คือตัวปัญญาได้แก่คำมาถามแก้ไขปัญหาชีวิต ไม่ใชมานั่นี้หางจามแล้ปกลับไปแล้วเลิกเลยไม่ยังอะไรเลยนะเห็นเรื่องปัญญานเียวนี้เห็นเหรอเห็น่อปัญญาปัญญาจะบ่งบอกให้เาทราบว่ า, าคนนี้ครบหรคนนั้นครบไม่ได้ปัญญาลึกซึ้งเหน็นเหอหัวไม่มีตั้งตายคืนนี้ไม่เสร็จละอลองต่อให้ซิแห่ไม่ตาเลยเห็นหนอคือหัเโผลมา ลับรองไม่ต่อแคทางเหลียงต่แค่เป็นอมตะแค่นี้ทาได้นะอาออกบอกได้ใช่ไหมอาก็ไม่ออบอกไม่ได้ใช่ไหมไรอ่านตัวไม่ออบอกไม่ได้แล้วจะต้องอ่านคนอื่นออกนะดูก็ไม่รเ้เยรู้ว่าจะหญิงหรือชายแต่ดูให้มันย็ดเข้าไปหน่อยเดีนะเป็นชายอยู่แค่เป็นคนแก่หรือเป็นคนใหม่ แม่ๆมแบบไหนหัวตาหรือ ห, อหออือหลัง ห, งหรือหัวทิ้เห็นเหตุสะสะให้เลอกอย่างเลยไม่ใช่เห็นเนี้หรล่างสวยช่นจะลาเอหรือล่งเธอไม่เป็นท่แต่น้ำใจ ง, งามหาว่าเขาไม่คุไ ม, มด่ดีไม่เอ่ยมองกันในแง่ดีแลกันอย่างมองอนน่ง่ายละเห็นด้วย ป, ปัญญาหน่อยได้ไหการเจริญกรรมฐานต้องการใช้ปัญญา ยอมมือร้อนรนทนไม่ไหวมือลาภโทะสะโมหะใฟเผอยู่ในดวงใจนอนไม่หลับคืนไม่ได้นอนไม่หลับพ่เพื่อมีความสุขสามีใอเจู้้สามีไม่เอาไหนสามีเรื่องกาพนัเรื่องเล็กเลยเรื่องเล็กยอมมีปัญญาเช่ไหมจิตเนี่มสมุดไม่อการไปสนใจกับสามีที่ใจ้าู้ ถ้าทำตาอัตามาที่พระเจ้าสอนใช้ปัญญาก็สวดมนภาว น, น า, นาแผ่เมตตาให้สามีทุกอย่าอย่าสงใจไปตามสามีที่กินล่ากับบา้าอย่าสงใจสามีที่ใจชู้เอาสามีกับบา้าแผ่เมตตาเนี่ยสะเพสัตาเตามื่อตาคุณนางหัไม่ตาเมตตากับสัพโลกมุงมาในสัมพาว่เยอปริมาณน่ะยภาวนาค่ะตาไม่ตาสามีกับล้าใจดยเลย แลกใจชั่วลกเรื่องการพนันแลกดนศรัทลาเนี่ใช้ปัญญาไม่ใช่ว่าไปใช้ชั่วไปชั่วไม่ได้นรือไดีไปกล้าจับล้าไดีถึงจะผิกหไม่ใช่ว่าัวชื่วไปคุยเามายาแล้วก็ด่าหลาะไปเลยไม่ได้หรอกนะถ้ายมมือตัวปัญญาแม่งกรรมฐานถึงตัวปัญญาเมื่อไหร่รอบรูกองการทั้นขันเม่ห ระเดินเห็นภาพในภาพควจะมีความสุขกังทั่งสามีก็ชูโยนต้องไม่จะไปสนกายภาสามีอก็ชูเขาจะไปชช่ภาษาแค่แต่ไม่ม้ที่ไหนก็ไม่สนสนกายดูลูกหน่อยไหมตรวจมลแผไม่ตาให้ลูกรับรองลูกเดี๋ยวก็นไมกหวนเป็นภาบหน้าเดี๋ยวก็ได้เปนรักต่อเดี๋ยวสามีก็จะกลับมาเองอย่าไปแผลเมตาอาคามทั่วไปให้สามีือได้ไยมโยนขาดปัญญากรรมฐานจะเอาคารทั่วไปให้สามี บาเล่อหึงเล่อหวงเยอะอาตมาอย่าเอาความร้ายเอแ ก, ก่มาได้แต่อาความดีแก่ขาดร้ายก็ดีเขาร้ายมาอย่าร้ายตอบเขาไม่ดีมาจงอาธวามดีไปแก้ไขคนกระนี้ให้ของที่ก่อนใสคนพูดเลวไหลเอาความจริงไปสนทานาได้นะควรมากไม่ใค่สนนั่นแหละแต่เขาประธานทอดยนมผู้หญิงเื่อต่โดยขาดเถรผลไม่โดยตกลง หาตัวปัญญานี่จะพูดก็พูดเลยไม่จะ ด, าด่าก็ด่าที่พูดเนะี่ยมันจะยอมที่นี่นะเยนยที่ถึงบริเวณเหยียนที่นี่เห็นก็ไม่ด่าท่าไม่ว่าแล้วไม่ห็งใครแนะ่แนะ่ไนดะ้ฟ้งไนดะ้เห็นหนาชัเจนไม่หึนไม่หวงแนนะ่สามมือไม่ดแมาบา่บ้านสำคัญอนะ่ะถ้ายนนะ่งกรรมฐ า, านได้ตัวปัญญาปัญญาปรปลว่าความหมด ปัญญาแก้ปัญหาชีวิตคือกรรมฐานบ้าปัญญานะมอันนี้จงเอ๋อผู้ขังตาจะเห็นภัดขึ้น่าเป็นปัจจัตต่งบรยาัาโพเป็นยุ่จะรู้นิสัยของสามีว่าไปเนี่ยไม่ดีจคูอันนี้จให้ผู้หญิงอันนี้ไปให้คนง่ายไให้บ้านเรื่องเล็กแห่ม่ตาเลยไห่แม่ตาเขามีความฉุดกันนะเขาจ้าเงินไปให้กระช่างเขาเท่าไหร่เ้เงินเราก็เยอะเย ทำได้ไมอ่ะคือพูดดิทำได้ไหมทำได้นะคะดได้ทำเถออย่าไปล่าสามีสามีเขาจะไปชอบใครก็ตามอย่าไปสนใจถ า, ามได้ไหมโง่ใช่ไหยัางันคนมีปัญญานี่จะเง่ตนคนที่ได้ปัญญาโง่ไม่ตนละ่ะปากก็คำอยากจะพูดปากคำไปไหนก็พูดมาเอาปากไปด้วย คนที่ไรปัญญาไปไหนตาไปคนที่มีปัญญาเนี่ยเข้ามาตาไปเนี่ยตาหูไปตาหูไปก็พอเลยเอาตาไปด้วยเลคนก็มาถามเข้ามาตาไปเดี๋ยวนี้ไปถึงตาคู่เลยเสยก็ไม่เวทีเสียบคลื่นเอฟเอ็นเสียก็สียไปเสียก็เสียไป อย่าพูดไปดีื่อยคนที่มีปัญญาเนี่ยเขาจะฟังให้มากเสียงหน่อตะพกเขาจะพูดกั่หน่พูดแต่มีเหตุผลคงที่พูดมากตาเขาด้วยเนี่ยยล้วฟังน้อยจะรู้อะไรไม่จริงรู้หน่ที่ลุนเตยเนี่ยรู้หน่รู้หน่รู้จริงเขียนออกมาหน่อได้ไหมถ้าเราไปเห็นตาหูก็รู้ตาถึงจะรู้จริง บางคนเนี่ยรู้ไอ้คือจุ้งไม่ชอบชอบที่ไม่จุ้ไอ้ที่ได้มาเอาเสียไปไอ้ที่ไม่ได้ถูกต้องมไอ้คือควรจะได้ไห้เอาาไปเอาที่ไม่ได้มาชงกรนมนากรรมฐานพระเจัต้งได้เอ้ชะปาที่โอ้โหมันอยู่ตไหไอ้ตงนี้่อนได้ไมอไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แต่ไอน่เลยโอ้โหไม่เอาตเอาที่ไม่ได้ คือจริงไม่แฉะไปแฉะที่ไม่จริงไม่แฉะทำบุญจางลยคนจะเทศนนานๆตแนนั้นทหมายชิงโยนนะโอ้ทำบุญสักกระเป๋าขาดเลยสวสวักอสักหนึ่งจะจูจไม่ดีเลยใช่จู้จี้ไม่ดีเ ล, คลยคนไรปัญญาคนที่มีปัญญาเขาจะสร้างบุญวัชิจิตสร้างความสนุกไล่ที่ชีวิตความเป็นอยู่ของโครงตาของหลกคือความนุกงับ เ้าจะไม่มีทะเละกคนที่รายปัญญาจะชอบทะเละกันหาเรื่องอาทะเลอะโยมท้าหน้าปัญญาจะเอกมาถามจะพูดเพาะพูดดูให้ใจง่ายพูดไายใส่ใจายากโยมขาดปัญญาจะพูดไปเรื่องอะไดีใอ้แต่อารมณ์มาพูดกันใช่ไหมชอบใช้าอารมณ์สามีสามีแบบนี้จะไปช่บแบบใครมาเหรอจะไปไหนจะไปกันเรื่อย สามภรยาที่มีปัญญาเ็าไม่ถามนะเด็กเดินก็ไม่ถามก็ถามาคำหนึน่งก็ถามเรียกผลคุณที่ขากราบจะเด็กเหนื่อยไหมคะเหนื่อยั้มวันนี้แล้วไปได้โอได้มาเท่าไหร่ขอดูกระเปาตังค์พุ้มีตังค์เราก็ยุไปเลยนี่จะคนฉลาดคนง้อนี่ไอ้นางจะเด็กอยู่เครื่องกราบตั้งนานไปเสียกอยู่ที่ไหน นี่คนไม่มีปัญญาพูดทะเละไต้เ้นบอกว่าพูดดีเข้าใจง่ายพูดร้ายเข้าใจยากเชื่อนะโูดโดยๆจะทะเละกันง่ายแม่มมคุณม่ทุนหัวม่นี้อทุบแม่ทงพูดร้ายจะต้องเข้าใจยากพเดโดๆจะเข้าใจนะเนี่สมมติาสามีประชาติปนึอชาติะ นับประดิษฐ์จะได้มีอพวกพ้องมาแต่เราตั้งบริษัททำมีออเดอร์เยอะถามยอมพิชายอมพิชาจะไปจัดกางานถ้าไปจัดการพผู้หญิงจัดกาเพวกพิชาที่มันไม่เคย่ะถ้าไปจัดการผัวเนี่ยไม่เคยไม่เคยนี่ เ, เน่ยเราไปค่ายถามเมียเขคทำยาไปนะยกมือไหว้เพราะว่าอุดหนุนไงล่ะครับผมขายถูกไม่แพงอยา เนี à, ่ยเดียวกเดี๋ยวก็ลองเดียวเลยเอาเที่ยวเอาเเหี่ยเท่ยังไมาดอเองหน่ยเห็นยะ่จะไปอะไรกัไปยอมฝึอย่เนี่ยรับได้ก็ม่ับถ้าเราทาปัญญาได้ยอมบ้านจะมีความสุขเป็นมามคนชีวิต ถ้ามีปัญญาในตัวบ้านเป็นมงคลไม่ได้ทะเลาะกันตลอะหาเรื่งองกันตลอดคนที่มีปัญญาจะแก้ปัญหาได้คือาารกรรมฐานรอแลอ ย, าาย่าปล่ยควางโกรธนะเดี๋ยวทะเลา ะ, ล ะ, ะอ่ะพยมเนี่ยโกรธทั้งกลางก้างทืงงทงนอารมณ์ข้างต่างาขายของไม่ดีหน้าตาจ ะ, ปะเปลี่ยนนะ่งจะมีนางกากขึ้นมาทันทีนงังกจากรแทก น้าเทียดนังกาพยายางแบบนี้มันมียินมมันเทียดเพราะฉะนั้นผู้มีปัญญาเนี่งกต่มาถามก็ใช้ปัจจุบันเอาปัจจุบันเป็นสังขารอาบุดยาฤกษ์พือนได้ะเหียวคนอื่นยัดคุดจะจแฉบเนี่ยตมาพูดปาไม่มีใครไปใช้เลยอะอาภาณาพะจูะจับมัม่นทำาแต่ถูกหลังจัเสีลกายตลอดชีวิตยอมภาจไหมะคะ สมมตินะว่าสามีใจชู่นตายแล้วเขาจะไปแช่กันางรันาเราก็ทำกรรมฐานเนี่ยแผ่แม่ตาสามีดิฉันสมมติวนะ่าพี่พักดีไปแช่กับแม่รัชนนาขอให้พ่อพักดีกแม่รัชน า, อ, พ อ, พ า, า, นาอยู่ยันต้องศุกตลอด ต, ตาแผ่แม่ตาสับเทสับตาเลยทำได้ไหมได้นะถามจริง ไ้และอย่าจะเรียนถามว่าแพ้ความสุดไปใครเป็นคนได้ก่อนนะแน่อย่าขายได้เฉงเราต้องได้กำไรก่อนของสามฉีฉันฉันฝากพักดีใช่าหมอยูด่ด้วยกันให้มันเจงทันเลยอย่าให้มันรักกปเลยแย่งความรักเช่นไปอย่าจะถามว่าใครเจงก่อนนะ ถ้รเชืนั่นแผ่เขาอยู่ในปัสสุกได้บุญด้วยไงได้ไหมถามจริงอ่ะได้ทำตามทำตามไหมเร่อที่พูดเ น, นี่ยถ้าย้มทำอามมาถามได้จะโปร่งตกโปรองต ก, กเลยไม่โสนดสามีสินเล่าสามีก็ชูเรื่องการ อยา่าไปว่าไม่เกิดประโยชน์ใช้ปัญญาหน่ยดีนะเอาปัญญาใชา้คนใช้ปัญญาเขาไม่พูดเขาไม่ว่าเขาไม่พูดแถลงน้ำใจแต่ะ ก, การได้แผ่ไม่ตายอย่างเดียวนางกระมฐานไ่้แพ่ไม่ตายถามมือจะกลับล้าใจายดีกว่าาเดี๋ยวกลับลาามาหายใจลูกเต่าดีหมดทุกคนเลยลูกเต่าติดยาเสพติดวานอนถอนยากโคดี้ ขอให้คุณแม่แผ่เมตตา ก, กยาลกาาแล้วน้ไม่่้กบรจะาลูกชายคนเล็กนะสอลูกชายคนตอดีไปด้วยย้อมิจารุายคนโตไหมนะมิจารุายคนโตไหมนั่นสอดีไปด้วยวเลยนะชาโตเป็นไ ง, ง, ไไงล่ะนะที่สร้าย่างไง ร้อนรักมาปีละฮะยังไงเหรอเขาจะทูไหมดีล้วชาทูดีที่สุ ด, ดฟังเถอสาวแสบกอยไม่มชอบอยูกชายคนโตเ่ารัากษาการในวัดมันเป็นเกียดภรรยาใช่าาั้ยเกียดติมากไห า, าตามข้าไาไม่เงียค่ไ ขงคลายข่าวัดขงหน้าข่วัดนั่งกรรมฐานไปเยอะต่อบผูกกรรมฐานทำให้เกิดปัญญาไ ม, ไม่มีการต่อสู้อะไรเลยแพ้เสมอแพ้เป็นชะชนะเป็นหมาจะไปว่าเขาเละโ ย, ยไหมเขาชอบอย่างนั้นเหรอนะเดงผลเลย ได้คาถาขอรกลาพาพะอยาไปถามานิยมมีคนรั้งทั่วเนไหมเหลอควันรังแตกเลยเหลอนได้ผลเยอะเอาไปใช้หน่อยไปไหนมีเมตตาเราอย่าไปเกลียดกันเพระพระเจ้าไม่เคยขอนให้เกลียดกัน สอนให้รักกันยอมเชื่อันมาสามีเขาจะไปรักใครจะรักสามีเราเรานื้อคามแพลเกลียดที่สุดแล้วมีเกลียดที่สุดแสง ว, ว่าสามีเราเป็นคนดีถ่สามีในคนดีมีคนรัอกอย่างผูกไม่ได้พูดเนี่ยะะยากอะไรฮะเงินอะไรสบายเสียงลาบา ไม่ใช่เขารักน้าใจอย่าไปคู่เพลกฮะไม่ใช่แต่เขามีน้าใจผู้หญิงเนี่ยเขาให้น้าใจรักมีน้าใจนะเราก็มีอาไรใาทานจะบอก่ะเให้เป็นร้าอยู่ลยฮะ ภาพลาเท่าไม่มีหมดแล้วยิงหดายยิงได้ยิงของอดหมดเปมาแล้วไม่หวงแล้วไม่อดหมดมาเรื่อยๆถูกไหมไมีลูกหรือคนโยมใค่ถ้าทั้งคน<า>อึกดึงทางโ ต, ต <laughs> มีคนชอบเยอะอย่างนี้มีคนชอบเยอะใช่ไหมเนี่ยทำได้ ถึงด้วยเนี่ยลูกข่าเลยเออว่าเขาเป็นตาตาบอดเลยตาาตาบอดทั้งคู่เดี๋ยวนี้ยังอยู่ตาแล้วเราก็ผัดตานุโมทนา ม, มาอีกหรือเล่าเดี๋ยวนี้มาดูนะยกมือสาธุกันตาเหมือนอย่างคนดูดูแต่ไม่หดโอ้โห ไม่ได้ข อ, อมนต์ตาเลยก่อนอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งตอนอาบทนี้เป็นใช่ชักปืนออกจากปากปลาแล้วมันเห็นเสือรับแล้วก็เสียบเขา้าเอาอย่ายิงน <laughs> อย่าฟวามอุโยมเมี่เป็นคนดีนันเป็นคนมีอัจฉริยะสายเชื่อเชื่อ พ่อพ่อลุงตาจุทะละสององค์องค์ข้อทุกคนสามีแต่เขาวางตนเป็นกลางเขาม่เข้าทางไทยลอกคุณไหมวันนี้มาเปล่าพวกนี้มารับเหรียญมีอน้ยามหัวเขาไม่นจะต่างประเทศคนต่างประเทศเลย่าวไทยเขาไปตามให้เราเราจไปฏิบัต เขาก็นัดยอมดีนะนะนะใหญ่เหรอถึงสงครามะเวนการอาตุภูมิต้อนรับแผก็อยู่วยการมีความสุขความเจริญนะทำกรรมฐานดีถึารไปผลเพื่อหายดีแผลไม่จากอึข้ามอย่เขาจะไปยังไงก็ช่างแผลเมตตาไปอาตต้อนรับมีเหตุมีผลมีข้อเทจจริงนะ เดินจงกรมนั่งกรรมฐานอย่าไปสนใจเรื่องอื่นเข้ามาเราจะอยู่ในโลกทลายหาได้รู้ใหม่เพื่อสมาธิเราประดุกมารวมการชื่อวันเกิดของเราก็วันตายของแม่เลี้ยงแม่ให้อินแม่ตายไปแล้วกับบางสกุลปอรอายุวันเกิดถ้าวันเกิดแล้วนั่งกรรมฐานตรวจทาหุ่มตาแม่แพ้ไม่ตายในลวันนั้นให้ได้อายุ เราจะหมดแล้วกลับต่อได้เนื่อสมณะต่อมานด้ยืนสองปีอหลงแต่วันที่สิบสี่ตุลาสิบสี่ห้าสองพันยี่สิบเอ็ดยื่ชิบสปีหละตายมาแล้วไม่ไปเี้ยงงานให้สมณะามานยังอยู่ได้ละพฤตธรรมเราไม่จะไปคิดอะไรจะเป็นสามีหรือเป็นอะไรญาติือที่เมืองก็ตามแต่ทำทั้งหลายไม่ดีมาเอาดีไปแก้จะไม่ไปสนใจคนอื่นยมเชื่อนมารักอะไรเท่ากับรักตัว พู้เจ้าสอนอะไรเนี่ยกรรมฐานเนี่ยผู้วักแต่งการเนี่ยสามประการผู้เจ้าสอนอะไรไม่ตก็ไปสอบให้มันยากน้องชาวไทยทั้งหลายมาตอบขก็หลังพระโอเคเห็นด้วยพู้เจ้าสอนให้เราช่วยตัวเองให้ได้สอนให้เราพึ่งตัวเองให้ได้สอนให้เราสอนตัวเองไม่มีใครช่วยเราได้แน่นอนในโล พ่อแม่แล้วบางคนเขาทะเลแก่ชลาแล้วก็จะตายจากโรคไฟไม่มีใครเหลืออยู่จะอยู่เราเราจะอยู่แค่ไหนเขามาเยือนมาเที่ยวอบไปไหนสามีภรรยาเรามาพบกันต้องพลาดชาจากของปริทักที่ชอบใสายดยกันทั้งานไม่มีโอกาสจะอยู่ด้วยการสอบกันคริสอย่างนี้ดูแน่นอนไม่ยช่สนใจเลี้ยงลูกอาบุญแทอยากคุณตอบแทน เอาบุญคือหมายความาเลี้ยงลูกให้โตไปจนพอเดือลรุเลี้ยงลูกให้โตไว้ด้วยวิชาทาองอยากให้ลูกโตมาต้นตานอย่าให้ลูกโตด้วยควาสุขหาความเยู่มฉลองยุคใหม่สมัยนี้น่าเสียดายเลี้ยงลูกให้มีวิชาความรู้ดีแล้วก็เขาจะมีมมมะะมกิจการงานที่ดีจะมีคู่คร อ, อ, องไปครองแผ่นดินการมีมีสมถังก็พอแล้ว เดี๋ยวเราก็ต้อง้ายจากโลกไปด้วยกันทุกคนเราต้องช่วยเต้นลูกมันมีทางมาช่วยด่างบางคนใช่นายเลี้ยงลูกโตมันก็ต้อ ต, อตายไม่มีเงินร้างช่างทำโตได้เขาสุขหาความสมเหตุสังคมไม่มีโอกาสที่จะดีได้เึ้นนตั้งแต่นานมาแล้วแม่เลีเ้ยงลูกอ่ะให้โตด้ ว, วิชาการส่งลูกเรียนให้ถึงที่สุดเท่าที่จะถึงได้แ้่ลูกเข้ามีงานทำแต่นองคุณด้วยเหตุบางกา ถ้าเขาไม่ม so huh. ีโอกาสจะช่วยอะไรได้ถ้าเป็นลูกผชายเขาได้ภรรยาก็เขาก้องไปเลี้ยงคอบพเขามีลูกสาวเขา้บวเขาต้องเลียงครอบครให้คนนักตายทีกเขฉลิมแตชลาก็ช่วยเทินไปยจนกว่าจะหมดลมหาใจตายอยากจะคิดอะไรมันมากเกินท้องขวดมาเกิดประโยชนิดผลเกิดการใดเพื่อทำอะไปรมานี้ตายไปแล้วนี่ยหมดอายุแล้วทัท่านสาทุคนทั้งหลายแต่มาขอที่ฐานตอนที่ขอ หายใจจังแสดงได้ปฏิฐานกับเท้าเวททุวันเจ้ากรรมในเวนเหนือเจ้าเวนในกรรมขเจาใช่มีมนุษย์หมดหรือยังใช้หมดก็พาขปจาจะไปละรู้หนทางคนที่รู้จักทางกับคนที่ม่จักทางกันเยอะเลยคนหลงทางเรานั่งเจริญกรรมฐานเพื่อต้องการจะรู้หนทางรู้จักกฎจะระจังใชมาตวมนวก็มี้องคนกับการต้นหัวตัวเหนืกกัน จะได้ไม่หลงทางมยากจะเสียใจตลอดกาลเวลาน่าเป็นเวลาที่มีประโยชน์แตมารยมฟังอยู่คอจุดตมาเดนวางหัวตายแล้วรถชนคอหักแมขนก็หักขาหัอีกหลายข้างหลายาออกเหวที่มาสอ้ว่าก็ผ่าแล้วฟุกยัง รับจ้างสมตายไฟลวกมี้อนลวกหมดไอ้ดึกทางด้ทุกอย่างรับกลับก็โทยัง่เหน่อยจะตัดกรรอย่างบางวัดไม่เหนื่อยไอ้หูเขาจะตัดกราให้หมดไปมีที่ไหนเราขยิมนสตางค์เข้ามาแล้่เราไม่ใช้นี่เอาจะไปตัดกรามได้เหจะไม่รับใ้นงานต้องไปช้ในชาติน่ยแเป็นดอกเบี้ยไปอย่างขยิ้นลอยเนี่ยต้อไปใช้ในชาตน่าเป็นเป็นร้านร้านเลื่อนใจจึงไม่เหนื่ยแต่ทุกคนไม่ชราบเหตุการณ์ที่เกาเบี่ยนกมาเนี่ที่โรงเรียน ผมก็เจอเราตายเราล้มนิจขาดบาเปเกิดชื่อเกาะจัเนเงินทองมาให้เราหมดข้าโมนี้มาให้เป็นใช้แสงคือคนเราตาไปได้สามอย่างบุญบาปทั่วกับดีกับวิชาคํานี้ให้ลูกเรีนยนหนังสือไว้หาวิชาคพมุให้รู้าเรียงสามมีดีไม่ดีไม่ต้องไปวิจัยเลยเพราะฉะนั้นวิจัยตัวเองอ่านตัวให้อบบอให้หได้ใช้เจนยอมเชื่อกัน ทุกคนอยู่ที่ตัวเองไม่ใช่คนอื่นทำให้ทุกวันนี้ที่หาเนียโยมผู้หญิงเมืชายคิดอยู่นี่ทุกคนเบี้ั่วคนอื่นทําให้หรือเปล่าคนอื่นไม่ต้องถามล้วทําตัวเองนั้นเนี่ยนะอย่าไปทอดใครเลยทอดพ่อทนแม่ก็ไม่ได้ทอดพี่น้องก็ไม่ได้ทอตัวเองแล้วทําตัวเองแล้วเราก็เป็นไปเองเรียกกฎแห่งกรรมอยากกาจะทำของเราเองไม่ใช่คนอื่นทําให้เชื่อกัน การมาอยากจะย้อนยุคแตเป็นเด็กใหม่มันก็เป็นไม่ได้แหละนะนับวันจะหมดเวลาไปในที่สุโยมก็เช่นมาใช่รึสาวจริงไหมไม่จริงหลอกลวงทุกขานมจริงไหมไม่จริงหลอกลวงทุกข์าเดี๋ยวก็แก่เดี๋ยวก็แย่เดี๋ยวก็ตายจะมาเป็นสาวได้ไหมถึงจะแตงตัวยังไงก็ตามนะจะปิยังไงก็ปิดไม่เม็ด ผมขาวแล้วย้อมใหม่ได้ดึงหน้าดึงตาปิดไปปิดมาหน้าเปลียนเลยปิดน้าเปลียนไปไปปิดมันนะเอาหลักสามนะอยไปปิดมันเห็นหรอรู้แล้วแต่อย่าปิดหรอเดวนี้ปิดหลหลายปีมาแล้วเนี่ยมาตรงนี้เลยอายุทำไมมากเนมาเปใส่ก็จะไปเชียงใหม อาตมาลูกต่อยหับเรียงนาเมืองขาดยอมผู้หญิงมีกระเป๋าลูกนั่งหน้าแลนั่งหน้าเลยตไม่มิเขียนชื่อไม่เท่าใครลงพื้นไม่ว่าไม่เท่าใครตรงนี้โตรงนี้ถุยน่ห์แล้วกอยอมทำไมเขียนใน่วาวไม่นยอมฟังบนช่วยเราได้ไงบาปช่วยเรา โอ้โหเลยเนื่อแลวพ่อรถมันมาเปิดแฉตีนหนึ่งทันรีบอาบน้ำรีบวากแผนที่ลงพื้นวาแผนที่ใช้เวลาเลยมไม่กล้าคงไม่เท่าไปไม่เป็นไรทําหม่ได้แต่ถ้็ท า, าทต่อหน้าต่อมาไนกระเป๋าเนื้อโอมเล ย, มยมนเมื้อว่าะการ์ยาธรรมุนล้างเครื่องใอ้อาบ ไปคุยวันจุดวันฉันไหนไม่ต่อไปแอา์ไปเชียงก็ไม่มิดไดโยมก็อยาไปเชียงใหม่เตมกระเป๋าเลยเคลื่อทนที้ทั้งนั้นแลกันเยอะเอยบอกท่านรู้ไหมราคาเท่าไหร่ตั้งห้าพันกิบบาทแพง ยังเลมไอ่ยึงสอไว้อันอาตมาเก็บไว้เยอะเนี่ยย่าเป็นที่ระลึกมีประโยชน์ตอนโจทย์ูปเทียนเนี่ยถ้าไม่มีไอ้น้ำมันใช้พนิชาน้ำเนะนี่ยจะทาเปนีงนะทาไอ้ทูปเนี่ยโจทยเบิบเลยด้ยน้ำจัแต่ทายมีเหลือเอามาขอมาแต่โยมนี่ก็อายุไม่มากนะโยมนะที่มาเนี่ยโตไม่าปรนกลาบนุษมมีามีครอบครวหมดแล้วอายุนี้เจ็ดสิ เจ็ดิหกนี่จะบก๋ยร้องพ่ออย่าว่าฉันนะฉันยุ่งมากเละไม่แก่งไม่มันไม่ทันชินหมหยเดินตามกใกล้พวกวสาวๆเขาไม่ได้เขาหาวาฉันแก่มากเลยนะเลยก็ต้องแต่งพอแต่งเนี่ยไอ้หนูหนูหนูก็พอไปกับเขาได้ใช่ไหมเนะี่ยแต่งไปแต่งมาก็ปิดไม่หนิดตามด้วยมันใหญ่เนาะใกว้างปิดมิดเหรอไม่มิดเล ย, ยไปแก่งมนเรื่อย น, า, น, น า, างสรรมฐานสวยนอกสวยในสวยจิตสวยจอาจจะช่างเคยมาดูตะกร้าไม่ใช่งามเนคงาน้างามพักกาดพอเนี้ยไม่ต้องลงพื้นมาแทนที่แล้วมีเครื่องลงพื้นมาไหมมีไหมไม่ไม่ไม่ใช้หรอือว่าแทนที่ก็ไม่ใช้หรอือไม่ใช่เวลาออกแล้วใชนไหม มือต้องมือมืท่นไหมไม่ใช่ทาปากนี่มันดีอย่างเงี้ยปากให้งยเนี่ยเราอยากจะทามัยไั่ไปากปากมันซึ้งในเบื้องหลังมีอมันขอมาไงเอาทา้ปากมันสดปรกนี่ยมือเราเนี่ยมือเร้เมี่ยนะ เนี่ยมือกางเท้ามั้งไงบูชาปฏิบัติบูชาปัญญานี่สําคัญตอนนี้ก็โยมเราจะได้รู้เหตุการณ์ทุกทีจะได้รู้ว่าลูกคนไหนจะเรียนอะไรก็ปีจะบอกนะาขอให้ทําไม่ได้แต่ไม่อย่ามาทําแล้วเลิกไปเลยกลาไปบ้านก็ทํำนะบางคนกลับไปบ้านเลยโยมกลับไปบ้านก็ทําเป็นประจํานะ เดินตรงตรงสักสามสิบนาทีนั่งสามสิบหรือหนึง 30, ่นงชมมั่วโมงที่มีเวไารูประกุณของบ่มามันแค่ไปเดินวนไปวนมาก็ได้นั่น่ะทำให้มันเป็นเสมอต้นเสมอปลายแ้วยืนเนี่ยทำอะไรอ่ะถ้าไม่ทำให้เสมอต้นเนี่ยมันเอาดีไม่ได้ขัติสมบัติสร้างความดีต้องถูกประสารสิ ป, ปทิสมบัตสร้างความดีต้องถูกประบุขคนการสมบัติสร้างความดีต้องถูกประทาเวลา ประโยคาส้นบาดสร้างความดีต้องเสมอต้นเสมอปลายรู้จัเจ้คุณของั้าไเสมอต้นได้ดีแน่ได้ดีแน่นอนไม่ตองผิดใครจะดีเท่าไหร่จะเป็นสามีหรือไหร่ใครจะมาช่างเขาไปไหนมันคนเราคนกเราไม่ได้ออกมาพร้อมกันสามีภรรยาออกมาพร้อมกันไหมน้าภาษาอะไรไม่พายจางซล้องที่น้องต่างใจของเดียวยังไม่เหมือนกันมีสาย คูแ่แฝดออกมาพร้อมกันแค่ห่างห้านาทียังเหมือนกันนะเด็มาทีว่วาเป็นสาวผู้หญิงคนทีเ่เน้นที่ไยเอาไหนเยอะคนน้องเรียบเน้อนิสัยไม่เหมือนกันคือแบบใหญ่คนเราเนี่ยเรียนทันกันได้หมดแต่นิสัยเหมือนกันนะแต่เป็นราชาการชั้นไหนก็ตามแต่เราจะอยู่กันเนี่ยลลหลายๆบริษนทหรือสาขาตึกก็ตามจารู้นิสัยกัน ไม่ใยดีจะโอบ อ, อ้อมอารีมาชื่อ ท, ทะเลสงฆ์ทุกคนมาตนนกาจมีแต่แม่ฟาทรมีหานานบางคนไม่มีเล ย, เลยไม่มีจุาใายเลยไม่ใชไม่ดีทั้ทงดีเป็นรอกเต๋นี่ใ้่เลยแต่เดโอบ อ, อ้อมอารีไทยไม่เชื่เอเชื่อกับใทไม่ได้ช่วยเหลือไทเลยเห็นกะตัวตลดเลยตา น, นี่มันอยู่ที่นิสัยถ้าจารชลกรรมฐานทาให้นิสัยดี ทำให้ครูสมบุญญาศรีเพิ่มเมตตาปลาณีนิชจะไม่หวงใครเลยหนึ่งจะมีกางอุตเวทีต่อผู้มีบุญคุณนะสองจะเป็นคนสุภาพเรียบร้อยอ่อนน้อมทําตนสามจะกลายเป็นผู้เสียสนะได้อย่างดีสี่ <ผม S 1> ทำให้เกิดชื่อสัตว์สุดเป็นคนชื่อสนะัตว์ตอนนั้นต่อครอบครัวต่อตัวเองชัดเจนมาก บางคนไม่เอาก็ไม่เป็นไรแต่ตนาเ ด, <อ> ด, ดูมาด<อ>ดกมากเราก็รู้เนี่ยธนาเนี่ยมันหมดอายุไปแล้วตายไปแล้วเราก็บอกะเท้าเวชวันบอกว่าจ้ากรรมในเวรขอให้ข้าพเจ้าใช่นี่มนุษย์ที่หมดสุจดายามลมนักขุมมาขอให้ท่านทั้งหลายท่านไม่ข้าพเจ้าขอลาไป่ใช่นี้มนุษย์หมดขอให้กลับคืนคืนมาเถอะม่ใช่นี่มนุษย์หมดชาติหน้าเราจะไม่ขอมาเกิด ฟังอธิษฐานจะไม่ขอมาเกิดเพราะมีกานโลกต้งพี่เกลียดที่โก้พี่ฉาลิศยาพี่น้องยังฉากันนักภาษาอะไรกับครอบครัวล่ะพี่น้องยังแย่งสมบัติกันเห็นไหมแต่มาจงเขียนขึ้นมาความดีเป็นศัตรูชีวิตสองความดีมีอุปสรรคสามควา ม, มดีชอบเงินทุนความสบายหัวเาจะทูนกล้าทว่ความทั่วชอบเป็นทุนความสบาย สบายนอนสบายกาลังทั่วโดนไม่รู้ตัวมาทำงานนาการี่คนชั่วทั้งเรือสองความดีจากตัวเพ่เงินทองไปอสะะังหามตรงเนี้ยแต่มาั้เราอย่ามย์เป็นงูห่ากัดทั้งบ้านเลยฆ่ากันแหลกแตกลานเช่นพไม่ใช่สมบัติได้ไปได้ไมแลกกับเป็นเงินค่าใช้จาไปได้ในสมบัติ แต่ประธานโทษคือโยมคลอดอยกจะพาพาของแม่มีอะไรไหมได้คว่าจะมาเข้ามูลนิธิมีอะไรไหมฮะมีสอยไหมมีเพชรไหมมีอะไรฮ ะ, ะรจะมาสคนกับสามีไหมกล่าวเลยมาชุดวันเกิดโลกมาเลยใช่ไหมใช่ไหมแล้วเรามาหาส แต่วิสัยชาศนติดมานจะชา้าก่อนความดีติดวิญญาณนะเ้าเกคยช่าความดีมันจะมาช้า น, นี้ก็รวยไหวทําให้เกิดขยันมันเพียรทําให้ต้องการอยากจะเรียนหาวิชาความรู้เกิดโดยอั t r นม o m e r แตโยมนั่ง่ายกรรมาฐานถ้าได้เฉดปัญญาจะได้รู้ว่าลูกคนนี้จะเรียนหมอเจหลวงพ่อลูกคนน<อ>ี้จะเป็นวิศวกรจะรู้เหตุการณ์ได้ทันทีเท่านี้เองทําไม่ได้อย่าไป ปะเมินผลให้มันมากไปวันหน้ากรรมฐานให้ปัญญาที่โผล่เป็นโฉดาเป็นอหรหันต์ไปโชนิพาเอาแค่นี้ก่อนให้มันได้ก่อน <S <S ที่จริงไม่ชอบไปชอ บ, ชอบจริงในจริงอาที่จริงมิ่ก่อนแล้ไหมไม่ต้องไปต้องแต่งตัวแล้วงามแนคงามหน้างามผัสหลานงามายายมัชญาสายมีสายดีมีปัญญาแก้ไขปัญหาได้เอาจุดนี้ก่อนได้ไหมลูกเตาดีหมด สวยภายในสวยในจิตใจจะมีประโยชน์ใน้ีวิดมากขอั้งใจทําทุกวันสวดมนต์ไหวพระลูกดีหมดสามีนาข้าก็ต้องดีหมดไม่ต้องไปด่าไปว่าเที่ยกันเลยไม่ต้องไปหึงไปหวงอ่ะไปหึงไปหวงทําไมมีประโยชน์อะไ น, นั้นเขาจะไปชอบใครก็ปล่อยเลยโมทนาด้วยทำได้ไหม ให้ทานไปสิยาพยงผู้ชายเนี่ยเขาเป็นทุกวชแนลสองกุมารจะมาถือยังให้ได้ใช่ไหมรับตาแค่แล้วทาไมสวามีให้คนอื่นไม่ได้รู้เรื่องทุกวชแนลสองกุมารยังให้ได้ในยันเงาของยาามการาคว้าให้ได้คือลูกชายสาวใจเขาคว้าให้คนอื่นได้ ไวใจคืออะไรรวมรูม้ฮะวใจจะพักให้คนอื่นได้คืออะไรยังงั้นเลยโอ้รู้เหมือนกันเดจิตใจก็เสือสามมือทยายังสา ม, มารถให้เป็นทานได้ได้เราสามมีใครมาขอให้ไม่ได้เด้อให้ได้ไหมฮะฮะ อะไรนะก็ถูกแล้วล่ะเอาไปทั้งทัวร์สิจะเอาตังเราไปได้ยังไงล่ะเนี่ยเเคยเอาตังเราไปเหรอให้เขาพวกหน้ากรรมฐานต้องใจกว้างแล้วก็ ทังโคมแม่ตาตานอาหรือเออเพื่อขายหรือเขาดูแต่ยาหวงกันยิ่งให้ยิ่งได้สามีเอาใครขอให้เลยเดี๋ยวได้เงินไม่ใช่เขาจ่ายเงินแต่เขาจะเอเงินมาให้นะในสองวันนี้สามีเขาขาสามีมต่้องงานเลยขอเจริญพรทุกท่าน ไดสองลานเนยไม่ใจ่ผูเ้นเร่ยนนะดอเตอรสามคนเป็นเพื่อนกันมีลูกเขยจะพ่ายหมดแหละแต่ดอเตอผู้หญิงคนเนี้ ย, ยังไม่มีโชคถือดอเตอรสองคนมาจากเมกามีเตา้ามีหลักฐานที่เมกาเหมือนกันมีไมยตั้งหลักฐานนั่นประเทศแต่ผู้หญิงเพื่อนคนนี้ยเ้าก็าไปบอกว่าเพื่อนชายญาเนี่ยผู้หญิงเดียวยันนะ วันนี้เธอเราอยู่เป็นเพื่อนกันมาเลียนมานมืองสามคนฉันมาประเทศชายสี่ปีตื่นเนาะไม่เห ย, ยื่อถูกต้องถูกใจเยอสะสักคนโทฟูชายมา่เอาไหนสคนเลยไม่มีอะไรดีแค่ผัวเธอว้วเธอดีจริงๆฉันดูคนอื่นมาเนี่ยไม่ใช่เรียเ่ยงแต่ลเนะเราเป็นเพื่อนกันขอพูดตรงไปตรงมานะ ทันจะขอสามีเธอเธอจะว่าอย่างไรอ่ายอมตอบ่บนะีใจแค่ทันยาตอบว่าไงรู้ไหมเพื่อนจะตอบว่าไงเพื่อนเขาไม่ทำนายน้าใจเพื่อนไม่ให้ยังไงเขามาขอแล้ว เราต้องมีแม่ตาณนะาธรรมฐานต้องใจกว้างเขาเข้าใจพูดรวยไม่ทำนะไม่ถืนี่เธอจะมาขอเราไม่ได้อเราไม่ยู่เป็นเจ้าของต้องไปถามเจ้าตัวสิว่าเจ้าตัวเนี่ยเขาจะต้องสมัครขาเป็นสามีเธอไหมไปถามดูถ้าเขาตกลงฉันก็โอเคแน่ต้องตอบอย่างนี้สิคะ เปลี่ยนคาพูดใหม่ได้ไหมไม่ให้เลยเราเป็นเพื่อนกันนะเนี่ยเนี่ยเลยเก็ไปถามสามีเลยจริงเหรอเอางั้นเหรอก็ได้ไม่ขาดค้องไม่ขายข้องเอาจริงๆแล้วอย่าคนนี้มีเงินเราไม่ขายข้องปั๊บปั๊บให้สองล้านเหรียญเอาไปสองล้าน ในที่สุดก็ไปมาให้ถูเหมือนเดิมทั้งนี้ามีผวมีเนื้อก็ยางเดมไม่เดิมยังไงเน่านมลงไปสาวลงไปแล้วสาวน้อยลงไปอายุต้องห้าสิบเจ็ดห้าสิแดล้วอายุห้าสิบแปดแล้ ว, 5, ลวมีหกข้ดนั่นเดี๋ยวนี้ยังอยู่กย่แต่เขาไม่ได้ไปอยู่อย่างนั้นแต่ในน้ำเป็นสามีกัน แต่แเราเราไม่ได้ถามขอประธานโทษจงขอพู้พิจารถาโอกาสบัดนี้เทินขอเจริญพรทุกทา่าน